คราวนี้ก็จะเริ่มมีข้อจากโรคติดเชื้อกันแล้วนเพราะว่ากำลังระบาดกันแรงทีเดียวแล้วนะแล้วทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้หมดแหละไม่ว่าไข้หวัดไม่ว่าไข้ทรพัสไข้ ติดเชื้อทุกอย่างเพราะว่าในร่างกายของแต่ละคนน่มีเชื้อแทบทุกอย่างนะเชื้อโรคสารพัดอย่างวัณโรคมังสเต็ปสแตปอีโคไลอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายคนเยอะแยะไปหมดเลยเชื้อไวรัสตับเอบีซีดีสารพัดออยู่ในร่างกายคนหมดนั่นแหละนะเชื้อไวรัสสารพัดอันไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายเต็มเลยนะ เพีแต่ว่าทําไมมันไม่ทรลายเรามันไม่ทํำลายเราเพราะว่าร่างกายเรายังมีภูมิบัณฑนอยู่มันยังไม่เลือดขาวมันยังทํา ง, งานดีอยู่ไม่เลือดขาวเนี่ยมันจะเป็นตัว กำจัดนอกจากกำจัดมาเรงกำจัดสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในร่างกายแล้วเขามีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคด้วยถ้าเชื้อโรคมันจะมากเกินไปเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแมคโครฟาจนี่แหละเป็นตัวหลักเลยนะตอนนี้เราเป็นพระเอกหลักเลยนะจะไปสลายแล้วตัวอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแมคโครฟาจตัวอื่นด้วยมันจะไปโอบสลายเชื้อโรคไปทําลายเชื้อโรคอบหลักอินทรีย์มันจะทําลายทําลายทำลา ย, ยลาเม็ดเลือดขาวมันจะกินเชื้อโรคไม่ให้ขยายตัวจนยุิขีดอันตราย ครับเอ่อความนี้เนี่ยการติดเชื้อมันจะเกิดจากอะไรการติดเชื้อมันเกิดจากเม็ดเลือดขาวอ่อนแออ่อนแรงนี่แหละนะครับพเมื่เม็ดเลือดขาวอ่อนแออ่อนแรงเนี course, e in ่ยเชื้อก็จะขยายตัวเพราะมันไม่มีตัวควบคุมและไม่มีตัวกินแล้วเชื้อโรคสารพัดโรคมันจะขยายตัว จุดใดที่มันอ่อนแอมันก็จะเป็นแล้วอะไรเป็นเหตุให้เมล็ดขาวอ่อนแรงแล้วอ่อนแอลงนะครับก็ต้นเหตุเก้าห้าข้อนั่นแห่ะห้าข้อหลักที่เราคุยกันนั่นแหละความเครียดบ้างอาหารบ้างที่เป็นพิษไม่สมดุลต่างๆการไม่ออกกำลังกายกันอยู่กับมลพิษต่างๆที่มากเนี่ยพอความร้อนเหล่านี้เข้าไปกระรุ้นการรบเขาเมล็ดขาวให้อ่อนแรงพอเมล็ดขาวอ่อนแรงลงนะครับหรือแตกตายไปมันก็ไม่ก็ไม่มีตัวมาควบคุม ไม่มีตัวมาควบคุมหรือไม่สามารถที่จะควบคุมเชื้อโรคได้เชื้อโรคก็ขยายเพราะฉะนั้นการติดเชื้อทุกอย่างก็ขยายไป้รื่ครับวัณโรคอยู่ดีๆก็เป็นวรณโรคอยู่ดีๆก็เป็นฝีอยู่ดีๆก็เป็นหนองอยู่ดีๆก็เงนินอักเสบ อยู่ดีๆก็เป็นตุ่เป็นสิวเป็นสัมภัทนะอยู่ดีๆก็ตับมะเเครบอะไรเงี้ยนะควาจริงไม่ใช่อยู่อยู่ดีๆหรอกนะอยู่ไลไลถ้าอยู่ดีๆอยู่ไเป็นแล้แต่เราอยู่ไลไลอยู่ร้อนๆไม่ใช่อยู่ดีๆหรอกมันอยู่ร้อนๆเพราร้อนมากๆมันไปทําลายเลือดขาวมันก็เกิดการติดเชื้อสัมพัทอ่าคราวนี้เนี่ยถ้าเราเราจะควบคุมเชื้อโรคเราจะทํำยังไงอ่าก็เพชรนะทำยาปฏิชีนะเองสิ ยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดก็คือเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงแล้วเหที่ทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงคือความสมดุลเพราะฉะนั้นยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดก็คือความสมดุลเมื่อเกิดความสมดุลขึ้นเม็ดเลือดขาวจะแข็งแรงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็จะกินเชื้อโรคได้เชื้อโรคก็จะไม่ขยายในร่างกายนะครับแล้ก็จะอยู่อย่างปลอดภัยนอกจากจะไม่ขยายนะครับถ้าทําเม็ดเลือดขาวแข็งแรงดีแล้วนอกจากนจากมันป้อกันเชื้อโรคได้เชื้อโรคที่มีอยู่นั้นจะเป็นมิตรเรา จะช่วยกันเชื้อโรคอื่นไม่ให้เข้ามาทำลายหรอกเพราะเขาจะต้องรักษาพื้นที่ของเขาไปกัน เอ้ยยมายุ่งไว้ข้ากินอยู่ตรงนี้ไว้ข้าขอกินขี้ไคตรงนี้ก็แล้วกันยัยมายุ่งกับขี้ไคข้าเชืลอรคมกินขี้ไคอลไรเป็นอาหารเอ้ยขี้ไครตรงนี้ของข้าไว้ของข้านะใครยัมายุ่งกันยมายุ่งข้าเมาข้าเมาอะไรเงี้ยเชื้อโรคอื่นจะเข้าเข้าไม่ได้เขาก็จะเป็นมิตรของเราเฉะนั้นเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายจการเป็นมิตรของครับ ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังชัดขึ้นนะเพราะเราจะได้มองเห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือเปล่าที่สามารถที่จะจัดการกับเชื้อโรคได้เพราะผมได้เจอกับการเรื่องราวของการติดเชื้อสารพัดรูปแบบนะครับในชีวิตเนี่ยผมเลยไม่กลัวการติดเชื้อเพราะเรารู้เคล็ดล่ะผมยังไม่กลัวการติดเชื้อแต่นี่บอกเคล็ดไปก่อนและนะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะขยายความให้ชัดขึ้นแล้วเราจะมั่นใจแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกนะ ยังที่เอาให้ดูเมื hai, ่อวานนะที่ฝีท่ากำปั่นติดเชื้อซูโดอมเนสนะแล้วติดเชื้อก้อนกระแสน้ำเลือดนะครับเป็นซึ่งระดิตไปออกเสยรุนแรงมีการติดเชื้อรุนแรงที่เซลล์แล้วก็เข้ากระแสเลือดคนไข้ท่านไปช็อกอ่ะไข่ซุ้มหนาวสั่งไปช็อกอ่ะปวดทรมานมากนะ เราก็ม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะสักเม็ดเลยนะผมใช้วิธีถอนพิษร้อนใช้วิถอนพิษร้อนนี่แหละาให้กินอาหารสุขภาพนี้อย่างเข้มที่ทองชุดใหญ่พอกทาสมุนไพรอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถอนพิษร้อนสารพัดอันแะครับที่เราเรียนมากินน้ำโคลออฟีนต่างๆพอเราทําแบบนี้ไปก็เจ็ดวันมันเจ็ดวันนี่มันเจาะออกเองแล้วดันคว้าออกน้องทะลักออกมาหนึ่ง ก, บบกระป๋องนมข้นหวานอีกสามวันต่อมาเนะื้อซึ่งเป็มหมดเลยไข่ลงนั่นและ แต่ฝีแตกแล้วนั่นแหล ะ, หละคือความมั่นใจฝีขนมปั้นเนี่ยวัาสาุได้ยงไงถ้าได้ในสิบวันแล้วให้มันขึ้นเต็มขึ้นมาเสียงนั้นแหละความสมดุลเพราะว่าเวลาเราทำความสมดุลปุ๊บจริงๆประวัติของมดข่ายนั้นชอบกินขนมกรุกรอบแล้วก็ชอบกินปลาบีซองไอ <c oughs> พวกนี้มันร้อนมากมันมีผงชูรสผงชูรสเนี่มันร้อน มันมีน้ำมันทอดซ้ํามันก็ร้อนแล้วก็มันก็ไม่มีวิตามินอะไรพอไม่มีวิตามินอะไรมันก็ดึงวิตามินร่างกายมาใช้หมดร่างกายก็ขาดวิตามินเซลล์ก็เสื่อมมันก็จะร้อนนะครับก็เลยติดเชื้อขึ้นมาอย่างนั้นเพอร่างกายต้องเผาผลาญในพวกนี้ให้เป็นพลังงานใช่ไ้มพวกพวกมันอบด้วยมัร้อนมากของชูรสที่สารพัดเรื่องนะที่มันอยู่ในในบะหมี่ซองแมคโนกรุบกรอบ ออกินไปเรื่อยๆก็ภ <facial> ูม hmm. um, so ิบั oh ้น hmm. ก็ลดพราะขนุจอบของชุวิตงนี้จะทาให้ภูมิบั้นฐานลดด้วยคือมันมันกระเผาทลายไม่เลิกขาวเพราะว่ามันร้อนมันเผาทำลายไม่เลิกขาวลิกขาวก็อ่อนแรงเชื้อก็ติดเชื้อได้เชื้อเข่าเลยก็ติดเชื้อพี่เด็กคนนึนั่นกินบะหมี่ซองมากๆๆเติดเชื้อที่สมองตายขาดซเลยหมอแกไม่ได้เลยตายขา ic อซียเพราะว่า กินเยอเกินไปแล้วก็ต่อเรื่องกันยาวนานกูประทานรถต่อเนื่องยาวนานกูไม่ได้เอาละเอาพูดถึงประเด็นตรงนี้ก่อนนะประเด็นตรงนี้ว่าเนี่ยกลไกมันก็เป็นอย่างนี้ครับกลไกของเราก็พอเราถอนพิจารณาออกไม่เหลือเแข็งแรงพอไม่เลืขาแข็งแรงเขาก็จัด ก, การเชื้อโรเองทั้งหมดแล้วเขาก็ไปกินเชื้อโรทั้งหมดพอไปกินชื้อโรทั้งหมด แล้วเราทำกาสมรุนเรื่อยแถลมันก็ตื้นเต้นขึ้นมาเพราะเราทำการสมรุนเซลล์มันจะแข็งแรงใช่มันไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินมันแข็งแรงเซลลมันแข็งแรงมันก็สามารถสร้างตัวเองสามารถที่จะขยายเซลล์ขึ้นมาหรือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าอลไซ่อมแซมตัวเองเนี่ยสร้างซ่อมแซมส่วนซึกล้อส่วนที่มันถูกทำลายมันก็ซ่อมแซมขึ้นมาได้เร็วเพราะมันมีประสิทธิภาพมันมีความแข็งแรงในตัวมันก็ซ่อมแซมสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้เหมือนปกติได้ลยสบายดีมันเกิดจากควมสมดุล ก็พวกผิดเชื่อก็หาไปนั่นนั่นเป็นการิดเช่อะ หรือการติดชืแบบนี้นะครับยังมผมเจอคนไข้โรควันโลโรคนะครับไปวันละโรคเนี่ยปรากฏว่ารักษาอยู่เป็นเดือนแล้วนะกับหมอหมอเป็นสิทธิเลยทํามาช่วยรักษาไม่ดีขึ้นอยู่เป็นเดือนไข้ขึ้นสูงอยู่เป็นเดือนไออยู่เป็นเดือนไข้สูงท ร, รมานมาการคนไข้ก็คนไข้อยากมารักษากับเราอะนะีคนไข้อยากมารักษาเร า, า, าก็เลยอยากใช้แนวทางนี้นะครับก็เลยมาใช้แนวทางนี้ลองดูครับ เราส่วนมากพอใช้น้ทางของเราเนี่ยคือแพทย์ในปัจจุบันวิธีใช้ไว้เป็นบรรลุโลกมันต้องให้ยาทำให้ยาแทนปัจจุบันท่านก็ไม่อยากทานยาเราไม่อยากทานยา ก, ก็เลยเ็นไข้มามาก็รักษาด้วิธีนี้แหละนะเรารู้ว่าเกิดจากร้อนเราก็ถอนพิร้อนนะครับพอถอนพิร้อนฟุ๊กเนี่ยนะปรากฏว่าไข้ลงภายในหนึ่งวันหนึ่งวันไข้เริ่มลงเลยวนะครับแต่เดือนหนึ่งไข้ไม่ลงไข้ก็ลงภายในหนึ่งวัน เนี่ยถอนฟูดเข้มอย่างนี้แหเริ่มลงไปในหนึ่งวันอาการไอเริ่มทุเลาลงพอได้อาทิตย์หนึงนเนี่ยก็ทุเลาเลยนะครับอาการไอมันหายไปเลย อ, อาการไอก็หายไปเลยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายไปประมาณเดือนนึ่งนะครับร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้กินยาแต่ปัจจุบันเลยไม่ได้กินยาบาร์โรคเลยนะครับคนไข้ก็กลับมาแข็งแรงและกลับไปทํางานได้ทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงนะครับไม่มีเชื้อในรคเลยนะครับเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําความสมดุลก็ไม่ต้องกินยาถ้ากินยาวันาโลโรกนะครับต้องหกเดือนหนึ่งปีปีขึ้ง น, นะกินเสร็จก็ไม่ใช่จะหายนางดีก็ไม่หายแต่ว่าถ้ า, าทําความสมดุลใช่ไหมย่อเวลามาได้จริงๆแค่ห้าวันท่านก็ดีขึ้นละนะครับท่านก็ปกติแล้วหละแต่ว่าต้องการที่จะพักผ่อนนะต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายก็เลยฟื้นฟูต่อเรื่หนึ่งเดือนนะครับปังกหายได้วันาโลโรกก็ไม่เห็นต้องกินยาปดิชีวนะ นี่เป็นเรื่องที่หมอแผนจตจะนึกไม่ออกหรอกนี่ผมเล่าเนี่ยหมอแผนจิตจะนึกไม่ออกและมีอู่ครั้งนึ่งครับพวกเราเนี่ยนะอยู่ที่สวนสัตว์ฝันนะครับอยู่ตรงสวนสัต์ฝันเนี่ยตอนนั้นน่ะเชื้อโรกมันระบาดไอเชื้อไข้เลือดออกมันมันระบาดไข้เลือดออกระบาดไปทั่วเลยแล้วติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่โรงพยาบาลมรจเรนแ้วนะนข้างโรงพยาบาลติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปีที่มันระบาด ปรากฏว่าเขาก็พ่นยุงมันใหญ่เลยนะพ่นยุงมันใหญ่เลยแต่ที่ส่วนหลัฝันที่เราอยู่เนี่ยปรากฏว่าเราก็ไม่ได้พ่นยุงเราเราก็ไม่ได้ฆ่ายุงแล้วเขาก็ไม่มาพ่นให้เราเขาไม่มาพ่นให้เราเขาบอกเขามีนด์ดื้อสินเก่งไม่ฆ่าสัตว์แต่วันนี้ไม่ฆ่าแบบเขาก็ไม่กล้าเขามาพ่นวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ฐานเคมีเขาก็ไม่กล้าเขามาะตกลงก็โพลล์หมดเลยนะรำเป็นไงที่นี่นะยุงมันก็หนีเข้ามาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นตัวที่มันมันนี้มาอยู่กับเราหมดเลยนะ ยุงนี้เขารวาอยู่กับเรานะแต่แล้วปรากนว่าอะไรรู้ไหมครับปรากนว่าพวกเราเนี่ยไม่มีใครเป็นไข่ระดอกสักคนนี้กขมาอยู่กับเรามันก็กัดเราเดไมจะไป่กัดเรามันก็กินคนเป็นอาหารมันนะกเลือดเลือป็นอาหารมันนะเออนะมันก็กัดเรากินเราเนอะเออเราไม่เห็นเป็นอะไรไม่มีใครเป็นไข้ระดอบแต่ขะที่รอบไม่เั็เป็นไขระดับเหมือนกันเก่รอบๆยังเป็น่เลือดอกแต่ว่าในในส่วนสังฝันไม่มีใครเป็นใค่ระดอบสักคนตอะไรามูนครับก็ขีดนาทุกวัน กิน น, น้ํำยานางกินโคโลโฟีนกินอาหารนิดเย็นมันเย็นอ่ะพอมันเย็นปุ๊บเมล็ดขาวมันแข็งแรงเมล็ดข่าวแข็งแรงเชะื้อโรคไม่ได้ขยายตัวเวลามันเย็นมันจะไม่ได้ขยายตัวเมล็ด ข, ดขยายวก็เลยปีนเชื้อโรคเราก็ไม่มีใครเป็นไข้เลือดออกสะกคนในกเดียวกันคนที่เป็นไข้เลือดออกอย่า ร, รักษากับเรามา ร, รักษากับเราเนี่ยก็หายนะภายในสามวันก็ดีขึ้นตุ่เออตุงมจ้ำไปเลยออกขึ้นเต้เลยสามวันก็ดีขึ้น ก็ไม่เห็นเป็นลายระฆังระจัดก็การได้ก็คือคนการการติดเชื้อเป็นอย่างเงี้ยจะเล่าคนการการติดแฉกฝั่งนักชัดนะวเวลาร่างกาย ร, ร้อนมากๆมันเลยเกิดผลอยู่สองสามเรื่องหลังร้อนมากๆมันมีติดเชื้อขึ้นเนี่ยหนึ่งนะเวลาร้อนมากๆเลยห น, นึ่งเชื้อโรคจะเร่งขยายตัวเพราะอะไรครับเพราะมันจะไม่อยากตายมันจะเร่งขยายตัวคล้ายๆกับอย่างเงี้ยอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยกับอากาศเย็นเนี่ยอาหารจะบุญง่ายตอนอากาศ เป็นยังไงมากกว่าร้อนร้อนอบอ้าวใช่ไหมทําไมอาหารจรึงบูดง่ายพอเชื้อโรคมันขยายตัวใช่ไหมเชื้อโรคมันเข้าไปกินอาหารแล้วขยายตัวมันจึงอาหารจรึงบูดอาหารบูดเพราะเชื้อโรคแบ่ที่เรียอต่างขยายตัวแต่อากาศเย็นๆมันก็ไม่ค่อยเร่งขยายใช่ไหมเชื้อโรคมันก็ไม่อยากไปถ้าอากาศร้อนมากๆนะครับถ้าอยู่ธรรมดาก็อยู่ธรรมดาเอ้ยสบายเกิดตายเกิดตายธรรมดาใช่ไหม มันก็ต่อเผาต่อพันธรรมดาเกิดตายเกิดตายอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อร่างกายแล้วเขาก็ต่อเผาต่อพันได้แต่ถ้าร้อนเกิดพุ๊เพื่อนก็ตายจะสูญพันธ์จสูญพันธเดี๋ยวความร้อนเผาประกอตายมันก็กลัวสูญพันธ์มันกลัวความร้อนเผามันตายมันคือเลยต้องเล่นขยายตัวดัเวลาอากาศร้อนหลอ้าวเชื้อโรคจะเล่นขยายตัวเป็นธรรมดานะครับเหมือนกับนี่แหละมันอาหารบูดง่ายนี่แหละก็เชื้อโรคเล่นขยายตัวนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่2ครับ เนื้อเยื่อของเราเนี่ยมันจะเวลาร้อนมากๆดิมันจะถูกเผาเหมือนไฟไหม้น้ำบอลลวกมันจะเปื่อยพุพองเนื้อเยื่อมันจะเปื่อยพุพองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราบางทีมันป่อยพุพองข้างในเคยไหมเวลาร้อนอออกร้อนปากมากๆปากเปื่อยเคยเคยได้เห็นไหมเป็นแผลในช่องปากอะไรงี่นะหรือยู่ดีๆก็อ้าวเป็นแผลพุพองตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาอะไรเนี่ยมันจะเปื่อยพุพองเหมือนกับไฟไหม้น้ำบอลลูนกันแหละ เหอกันเลยเหมือนไฟไหม้ทั้งบอนลวกทํามันจะเปยผู้พองนะพอมันเผื่อยพุพองเย่งี้พราะมันท้งบอลลูนกับมันจะไม่เปืยไงก็มันร้อนมากๆอะเปยผู้พองพุกลักษณะการเปื่อยพุพองอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังหรือข้างในนะครับจะทำให้เชื้อโรคมันกินบริเวณนั้นได้ง่ายเพราะมันยุ่ยใช่ไหมมันเผื่อยพุพองแล้วเชื้อโรคก็เลยกินตรงนั้นเลยแล้วตรงไหนที่มันเปื่อยพุพองนั่นแหละเป็นจุดที่เชื้อโรคความร้อนมันถูกเผามากที่สุดเชื้อโรคมันต้องเล่นขยัตวมากที่สุด เชื้อโราจะเริ่มขยายตัวตรงนั้นแหละมากที่สุดเพราะมันไม่อยากตายด้วยในการเดินกันเมื่อราจะขยายตัวมันก็ต้องกินเนือยยอน้อเ ย, ยื่อเราแล้วเนื้อเยื่อที่มันกินง่ายที่สุดก็คือเนื้อเยื่อที่เป่วยผู้พองเข้าใจไหมมันเปื่อยผู้พองเนื้อเ ย, ยอื่อถ้าโลกมันกินเข้าไปเลยเลยเป็นฝีเป็นน้องหรือมีการติดเชื้อสารพัดท่านี่แหละฝีน้องก็เกิดจากตรงนี้แหละนะครับพอมันเนี่ยผมเจอคนใกล้หลายคนมันเป็นฝีเป็นน้องเป่ยผู้พองเนี่ยก็เพราะอันนี้เพราะเพราะตรงนี้แหละนะครับยูดีๆก็เป็นฝีขึ้นมาเป็นน้องขึ้นมาอะไรเอย มันมาจากไหอ่ะมันก็ต้องมาจากเหตุสิทุกอย่างต้องมีมาแต่เหตุแคนี้แหละอ่ามันร้อนเชื้อโรคเล่นเขย่าตัวและเนื้อเยื่อเปิดอยปุ้บพองมันก็กินเชื้อโรคก็กินเข้าไปนะและอันที่สามนะครับเหตุที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเม็ดเลือดขาวอ่อนแรงนี่ปัจจัยทําให้เกิดการติดเชื้อนะสามเรื่อง1เชื้อโรคเล่นขยายตัวสองเนื้อเยื่อเราเปิดอยปุ้บพองสาเม็ดเลือดขาวอ่อนแรงพอเม็ดเลือดขาวอ่อนแรงไม่สามารถกินเชื้อโรคได้มันก็วี่ขยายสิเชื้อโรคก็กินเนื้อเราสิเป็นอาหาร กินเนื่อเราเป็นอาหารมันขี้มาขายมาผลเสียเขามันก็เป็นกดกดก็กัดซัำเข้ากปอีกป่วยผู้พร้องเข้าไปอีกก็ล่ามเข้าไปล่ามเขา้ า, เขาไปเรื่อยลามเข้าไปเรื่อยเขาก็ต้องเล่นขยายตัวไปเรื่อยเพราะเขาไม่อยากตายก็ ข, ขยายตัวไปเรื่อ ย, อย่างงี่แหละแนละการติดเชื้อมันก็มากขึ้นมากขึ้นครับเป็นอย่างเงี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังเป็นสีเป็นน้องเป็นวังโลกเป็นอักเสบที่คอที่ตาที่หูที่ตับที่ไตที่กระเพาะปัสสาวะทุกที่ในร่างกายนี่แหละ เชือโขยายได้หมดนะครับด้วย mm hmm. กลไกนี้เอาแล้วพูดประเด็นเมื่อกี้ไข้เลือดออกใช่ไหมไ mm hmm. ขเลือดออกกับวัฏจักรไค้เลือดออกมันก็เป็นเชือโรที่ที่มีความร้อนอยู่ในตัวเขาคือจริงๆริงเขาก็เร่งขยายตัวนั่นแหละพราะเขาเร่งขยายตัวเขาก็ต้องไปกินเม็ดเลือดเรากินเนม็อเยื่อเรากินเม็ดเลือดพอมันกินเม็ดเลือดเม็ดเลือด ก, ก็แตกแต่พุ๊บก็เกิดเป็นพลังงานขึ้นตามหลักการของอันเบอร์นสไตน์อะไรก็ตามที่ถูกงด้มันก็แตกแตกก็ เ, เกิดเป็นพลังงานขึ้นมันก็เลยร้อนแต่กินปุ๊บสลายการเป็นความร้อนคุณกินข ก็กินไปมากๆเลยกินข้าวกินอะไรไปมันมันย่อยปุ๊บร้อนขึ้นย่อยปุ๊บร้อนขึ้นเชื้โรคมันกินเม็ดเลืเราเหมือนกันแหละกินแล้วมันก็ร้อนกินแล้วก็ร้อนแต่มันมันย่อยมันมันย่อยมันจะแตกอะาัลลัการของอัลเบิร์ตอสไ์อะอะตอมที่มันแยกย่อยปุ๊บอะเซลอาเนี่ยสารที่แยกย่อยเนี่ยวัตถุที่แยกย่อยจะกลายเป็นคอมร้อนขึ้นเป็นธรรมดากินเม็ดเลเราแตกร้อนร้อนร้อนรรร้อนขึ้นมันก็ร้อน มันร้อนขึ้นแบบนี้แหละร้อนขึ้นไข้ก็ขึ้นนะครับแล้วก็เผาเนะนืน้อเยื่อติออกไปเรื่อยๆแต่ครนี้เนี่ยพอเราทําให้มันเย็นใช่ไหมพอทำให้มันเย็นลงมันก็จะเกิดคนไกยอยู่สามเรื่องหลักๆกันเลยนะครับพอทําให้เย็นลงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับพอเย็นลงปุ๊บหนึ่งเชื้อโรคไม่เล่งขยายตัวเพราะว่ามันเอ้ยไม่ต้องเร่งแล้เยน็นสบายดีนะนอุณหภูมิขนานี้ไม่ทำเราตายหรอกแต่มันก็ไม่ได้ขยายตัวมันไม่มีความร้อนไปกวนมัหนหึงไม่เร่งขยายตัวสองเนื้อเยื่อเราไม่เปื่อยพุพอง ตอนนั้นเยื่อเราไม่เปิดผู้ฟองมันก็แข็งแรงแค่มาช้อโลคมันจะไปกินก็ลำบากแล้วนะมันไม่เปิยผู้ฟองอันที่สามเมล็ดข้าแข็งแรงเพราะว่ามันเย็นมันอยู่ในร่มมันเย็นเมล็ดข้าแข็งแรงปุ๊บมันก็ขังกับเชื้โรคเลยมันก็กินเชื้โรเองเลยนะเพราะนั้นชื้โรคไม่ได้ขยายตัวแถมไม่มีเนื้อเยื่อให้กินอีกต่างหากเพราะมันไม่มีตัวเปิยผู้ฟองไมล็ดข้าแข็งแรงกันต่างหากมันก็กินเชื้อโรคอพอกินชื้อโรเชื้โรคก็ตายไปเชื้โรก็ตายก็หมดไปหมดไปหมดไป แล้วก็เขาควบคุมในปริมาณที่พอดีนั่นแหละครับเราก็หายจากการติดเชือเเช้อเ น, เนี่ยการติดเที่ยวก็หายใจเนี่ยใช่ไหม ที่ส่วนลังฝันที่เราอยู่ตอนนั้นนะครับทำไข้ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่มีใครเป็นไข้เลยหรอกทุกคนแต่ในขณะที่คนทั่วไปก็ยังกินเนื้อกินอาหารร้อจัดยังเครียดเครียดยังอะไรสารพัดเลยไข้ระดอกระบาดติดอันดับเนึ่งในประเทศไทยติดอันดับเนึ่งในประเทศไทยเขาเป็นอยู่อางเงี้ยก็เหมือนการระับเด็กที่เป็นติดเชื้อไข้ระดอบที่เอาให้ดูเมื่อวานเนี่ยทำไมไม่ตายโรงพยาบาลรักษาไม่ได้พวกเราไปขอนพิทอนแบบยวสองชั่วโมง นไข่ลงไม่ลดขาวขึ้นไอเก็ดเลือดขึ้นตั้งกายปกติตก็กลไกเดียวกั น, นครับกยปกติ <S <S นอันนี้ก็ตัวอย่างกาติดเชื้อนะผมก็เลยไม่ได้ กัวการติดเชื่ออะไรนะเนี่ยไข่หวัดนกไข่อะไรที่เขาจะเป็นเป็ น, นไม่ได้กลัวเลยถนัดลูกศิษย์เรานะที่ไปภาคใต้ที่เราได้ฟังติดเชื่อชิ ค, คุณคุณยนะายาค่ะให้เระเดาอีกแบบเหมือนกันเอาติดเชื่อก็ไปเขาก็ไม่ได้อา่ากินยาแต่ปัจจุบันเขากินแล้วมันไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่กินเขาก็ปฏิบัติตัวแบบในข่ายเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สบายถ้าปวดเจริเชื้อนะแต่เขาก็สบายนะครับเขาก็สบายไม่มีอาการอะไร นะครับหรือว่ามีอาการเล็กน้อยในขนาดที่คนอื่น ๆ, ๆที่กินยาหมอแผนปัจจุบันกลัวตามพ่อทรมานตามร่างกายโอ้โหมันระบาดเยอะมากมายและน่ากลัวเชื้อก็อมี้นากลัวรับสูกศิ์เราก็ไม่กลัวอะไรนะครับเพราะเขาถอนพิษรอนเปนมันก็จะควบคุมเชื้อรงได้อหรือผมเจอคนไข้เจ็บคอหลายคนนัติดสเต็ปสเต็ปสปไฟลโคัสคัตเต็ปไล์คัดคก็ใช่ที่มีถอนพิรอนนะมันหายเร็วกวากิยาปฏิชีวนะอีกอาการเจ็บคอเจ็บตา มีน้องในหูมากมีฝีมากแต่าอฝีขึ้นมาก็เหมนกันฝีน้องก็ถอนถพิจนรณาพิจอรณายุกงไปเอาสุนไพรที่เย็นทางไปที่ไปี่เขาเยีเ้ยวทานยิ่งยุบเร็วเลยนะไอ้ฝีนี่นะเป็นฝีเป็นน้องน่ยทานเยี้ยวแล้วมันจะหายปวดเร็วยุบเร็วี่มีนคนไข้ที่เป็นอย่างเงี้ยมาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า oh, เอาเอาเยี้ยวทาเนี่ยมันอาการมันหายปวดเร็วมากเขบอกว่ามันยุบเร็วมากชุบเอาสมรีชุบเยียวแล้วแปะไว้ก็ได้ฝ <c oughs> ีเลยน้อง หรือจะพอกฐานทีสต์เขาคลองอะไรนนะ <cam> กนีำปลาโลฟีน้ำปสัสาวะอะไรพวกนี้ก็ได้พอกทานพวกนี้จะยุบเร็วหาเร็วเรเจอไม่ได้ใช่ติดเชื e r เนะครับเจอติ e เชื r อเอสเ น, นี่ยนก็จริงๆก็ที่นี่ก็ไม่ได้รับรักษาผู้ป่วยนะครับพอดีมีเครือข่ายนะมีหมอท่านหนึ่ง <cam> ท่านก็เรียนมาทั้งแผงปัจจุบันแล้วก็เรียนมาตั้งแผนทางเลือกด้วยสองแผนเพรนแล้วท่านก็ดูแลผู้ป่วยต i ดเชื้อเอง พอดูแลพวกวายเดอร์เอชบัดนึงก็โทรมาหาผมเนี่ยพวกวายเดอร์เอชนะตรงน้องเริ่มูสวัสดิ์ขึ้นเต็มเลยครับทํำไงดีพอโทรมาถามผมผมก็เลยบอกอย่างนี้ร้อนแบบนี้ร้อนทํามที่ร้อนสิผมครับถามที่ร้อนนะไม่นานต่อมาท่านก็มามาคุยด้วยท่านก็บอกขอบคุณมากเลยนะที่โทรมาหาวันนั้นแล้วบอกผมไปท่านก็บอกว่าผมทำไแค่สองวันผมทำแค่สองวันนะฝีน้องเริ่มูสวัสดิ์ยุบไปหมดเลยทัานบอกยุบไปเลย เออกัญหามันทําทไงอ่ะอ้าก็ก็กมองเจียวบอกว่านอนผมก็เลยถามกี่ก้อนแล้วทําไงผมก็ต้องฟักะก็ต้องตัวเขียวให้กินสินะทำทั้งสองเลืนั่นแหละสนะองวันยุบไปเลยทนะุก อ, อย่างยุบไปหมดเลยจบปนนัญหาทั้งหมดเลยเป็นกวางนี้นะท่านก็เลยมาขอบคุณนะครับเออแล้วก็เห็ตุว่ามันก็ควบคุมได้นะขณะติดเชื้อเอ็แล้วมีโรคแทรกซ้อนขนาดนั้นก็ยังคุมได้ยังคุมลงมาได้ ับก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ลำบากไม่ได้ยากอะไรหรอกไหมติดเชื้อเนี่ยหรืออะไร เราเจอกันติดเชื้อสารพัิออนอย่างปรัเ่เศสนก็เหมือนกันเจอหมดละไวรัสตับ A B C D อะไรของเขามันไม่มีดีกันถึงสีอนเนี้ยไวรัสตับ A B C เจอหมดแล้วนะหมดตังค์ล้าน2ล้านในกนารรักษาหลายคนก็รักษามาแ้่ไม่รู้กี่ปีก็คุมไม่ได้มันก็มากขึ้นมากขึ้นแย่ลงแย่ลงนะครับบางคนไปฉีดอินเตอร์ฟอร์นยิ่งแย่ลงอีกเคปเรเป็นหู ฉีดไปก็แย่ไปสุดไปแย่ไปสุดไปสุดไปแล้วมาเจอสูนยเราเท่านั้นแหละนะเจวันกลับไปตรวจค่าตับลงค่าให้ลงลงลงหมดนะครับอย่ามันก็ได้นะครับเจอเยอะกั น, กนติดเชือ้อเวลาตับแนันก็ถอนพิษร้อนแล้ก็ลงเองค่าตับอักเสก็ลง เ, เชือเชอเช้อก็ลงครับแล้วคนก็ติดเชื้อนี่แหละไปตรวจเชื้อก็ลงตับอกเสบก็ลงอะไรลงไปหมดนะครับ ในไม่กีวันที่เมือมงกาญจน์ก็ล้มนะไวรัสรีเลยนะหมดตังค์ก ล, ล, ล, ล, ล, ลางสองล้ารักษาพอม า, า, ารักษาที่เราเนี่ยไปตรวจก็ปกติครับเราลงมาปกติกจนเจอการเงียดนั้นแหละทำไมวันแรกตับ ม, มันขึ้นละ่ะก็เหมือนกั น, นันแหละบางคนนไปกินเหล้าออมันร้อนอดนอนมันร้อนเครียดมันร้อนนี่โหลดงานมันร้อนตาบ้งเซ็มเลย เพรามันร้อนมากๆใช่ไหมเหมือนคนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเขาบอกร้อนมากๆเนี่ยเขาเป็นขั้นถึงมะเร็งตับเลยเนี่ยขนาดเจาะออกแล้วเขายังบอกจับสายร้อนเลยอใช่มหมถุงน้ำดีที่มันออกมาจาับสายร้อนเลยเพอมาถอนพิษร้อนซองธรรมดายังจับสายเย็นเลยมันอะไรใช่ไหมมันร้อนขนาดนั้นแหละร้อนขนาดนั้นแหละเขาตักขนาดนั้นเชื่อมก็เริ่มขยายตัวสิถร้อนขนาดนั้นเชื่อมจะเริ่มขยายตัว แต่พอเราถอนฟิลลอนปุ๊บมันก็ไม่ขยายตัววันเอาตัวอย่างผู้ป่วยตับอักเสบให้ดูนั่แหละทำอาทิตเดียวก็ลงแลบทำแม่นๆอาทิตเดียวก็ลงนะครับไปตรวจค่าตับก็ลงเชื่อก็ลงอะไรเงี้ยก็ลงนั่นแหละ นี่ก็คือแม่ตาักเสบมลนก็ไม่ัวลำไส้อักเสบกระเพาะปัสาวอักเสบผมเคยเจอนะลำไส้อักเสบผเคยเจอรักษา ม, ม่กี่วันก็นหายนะไม่ได้ใช้ยาไปฏิชนะใช้พวกฤิทธิ์เย็นหรือกระเพาะบัวอักเสบเนี่ยมีคนนึ่งเขาเป็นกระเพาะปัสร า, าวะปัสสาวาแสบขัดทุกสิบนาทีมาเป็นหนึ่งปีมดตั้งเป็นแสนแ ล, ะละ้วในการรักษาตัวเองจนสุดท้ายหมอหักผ่าตัดมดลูกนึกว่าเป็นควอมมดลูกผ่ดมดลูกบอกก็ยังเป็นมอนกับโอ้สวยเลยนะตัดสีสีในแคลิเนีย ที่ขอนแก่นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเข้ามาหาเราผมให้ขี้น้ำนี่แหละยีญญานาณใส่ใบเตยใส่ผัมบุ้งกินเขาทำสองวันอากาศชุ่เรานะเขาก็ทําต่ออีกสองอาทิตย์หายขาดเลยก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปทําอะไรใหม่ตอนพิรุณออกก็จบแล้วผมกับพวันแสบขาดนไปดิอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้กลัวการติดเชื้ออะไรเอสเราก่อนเจออะไรเราก็เจอเจอมาหมดแล้วทุกเชื้อเนี่ยก็เลยไม่กลัวอะไรเนี่ย เนี่ยที่โรงพยาบาลเนีาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เขาก็บอกมองเค้ยวฉีดไหมโอ้เขก็บอกผมไม่ฉีดหรอกทีๆเขาฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่ออะไรรู <S <S <S ้ไหมครับเขาจะฉีดป้องกันไข้หวัดนอกกันแหละนะคืออย่างน้อยแยกออกว่าถ้าฉีดเพืป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แปลว่าถ้าเป็นเนี่ยไม่ใช่ไข้หวัดเด็ดแน่ๆเข้าใจไหม จะต้องไปไข่หัดนกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงผมก็ไม่ชีกเพราหลอกเพราผมไม่กลัวไงเออผมไม่ฉีกเราะผมมองของผ้มันทานดีแต้ผมก็ไม่กลัวไข่หมัดนกเพราะอะไรผมไม่ได้กินไก่มกินต้องไม่กินไปไข่ก็ไม่กินไก่ก็ไม่กินนะแถมเย็นีการหางมันไม่ทำลายผมหรอกมันขึ้นขาผมดีผมไม่ฉีกหรอกคนก็ฉีกกระตมีตะมันนะเราไม่ฉีกฉีําไมเก็บตัวเราไม่ฉีกเราไม่กลัว โอ้มันร้ายนะไข้บัดนกเนี่ยไม่ใช้เล่นๆนะคนไม่กลัวไข้บัดนกมันตะ้องแน่จริงนะมันร้ายเนี่ยแพทย์ที่เป็นตัวแทนองค์การนําไมโลกนะมามาทํำระบาดวิทยาที่มามาสํารวจนะ่มาเขาเรียกว่ามาควบคุมโรคไข้หวัดนกที่เวียดนามเพราะว่าตอนนั้นไข้บัดนกระบาดมาปุ๊บติดเชื้อไข้บัดนกบินีบนบิ น, บนมารักษาที่เมืองไทยตายไปในสองสามวันเรียบร้อย ข, า, ขาที่ขาเมืองไทยเลยนะ โอ้แต่แต่สวยจริงแพทย์นคนนี้เขาไม่รู้ว่ายารักษามันอยู่มันอยู่ในเมืองทางแหละคือ <c oughs> ขเขา <c oughs> เขาเขารู้ว่าเมืองไทยมก็ทําสมัยกว่าเวียดนามลยไหก็รีบบินมารักษาเลยไปในอชั่วโมงก็มาถึงล <c oughs> ชั่วโมงสองทิโมงมาถึงเมืองไทยแต่มาตายคาเมืองไทยสวย <c oughs> เพราะเขาไม่กินยารักษาที่แท้จริงในเมืองไทยก <c oughs> <c oughs> ินยาผิดกินยาผิดมันต้องกินยานากินยนามแมเล่ไปกินยาปฏิชีวนะในเมืองไทยจะตายสเสร็จสไม่อยากะ ใข้หวัดนกมันก็มียารักษาแต่ย่านางมันรักษาได้ไอพวกส ม, มุนไพรที่เก็บตั้งหลายน้โคลโฟินอุตสาหม า, าถึงที่ที่มียารักษาแล้วนะแต่กินยาผิดตัวเลยตายคือคเขาไม่รู้ว่าไอ้คาลฟีนีมันรักษาใช้หันตกได้แล้วก็ตายคาไข้หวัดตกภายในสองสมวันเป็นตายมันร้ายนะไม่ใช่เล่นเลยแต่ของเราเนี่ยผมเจอหมดติดเชื้อเหมือนไข้หวัดนกเหมือนไข้ฉีดนูนีน่นะอาการมันจะเป๊ะเลยนะ ผมตโลภเรียบร้อยแล้วรักษาันแล้ ว, ลวก็รอดนะกร็รอดต้องรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการอย่างนี้นะครับก็รอดเราก็เลยไม่กลัวการติดเชื้อสักอย่างไม่กลัวนะเชื่อว่าภูมิบัณคือคำตอบ ท, ทั้งหมดนะครับคือคำตอบทั้งหมดจริงๆแม่เองศิลธรรมดีผมยังเคยเจอคือแต่ผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเขามากมาย ก็ไม่ได้ศึกษามากมายคือผมไม่ติดตามมากมายแต่มีคนที่ไปใช้ชีวิตอย่างอย่างเนี้ยแย่งอย่างที่ผมพาสึกเนี่ยนะเขาติดเชื่อเอชเอชแล้วก็ไปตรวจเงี้ยเขาบอกไปส่วนแล้วไม่เจอเชื้อไปตรวจแล้วไม่เจอเชื้อเอชมันได้ขนาดนั้นเลยแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเม่ต้องเขาแข็งแรงมันกินเชื่อทุกอย่างได้หมดก็ตามทฤษฎีก็แถวปัจจุบันเจอเองอ่ะเม่ต้องเขาแข็งแรงมันกินเชื่อได้หมดนะเพราะนั้นไม่กลัวอะไรแต่ว่าติดเชื่อเอะแล้วไม่กลัวแต่ที่ี่ก็ไม่ได้รัอประทานะ เราไม่รัรกษาผู้ป่วยเอสสองโรคที่ไม่รักษาเนี่ยผู้ป่วยเอสนะครับสองอโรค อ, อะไรยาเสพติดนะครับที่นี่มันมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่อันนั้นของผ ม, มนะไม่ใช่ของพี่ของผมเป็นเป็นนโยบายหลักของผู้หลักผู้ใหญ่ของสถาบันบริยมนะครับว่าไม่ไม่รักษาสองเรื่องหนึ่งยาเสพติดมันพูดก็พูดแต่น้พู ด, พ ด, พ ด, นะพดเห็นผลแล้วก็ได้มันรุนแรง ยาเสพติดนั้นคนจะติดยาเสพติดได้ต้องต้องจิตวิ ญ, ญญาณีิเลวมากเสื่อมมากรุนแรงมากจะไปติดยาเสพติดได้เนะว่าเสื่อตามต่ํามากแล้วเวลาจะรักษาเนี่ยมันจะรักษาแบบนุ่มๆอย่างเราไม่ได้นุ่มๆอย่างเราเนี่ยหมายความว่าของเรานี่มันไม่ไหวอะคนหยาบอะผมไม่รู้จะว่าไงนะยาเสพติดคนติดยาเสพติดเป็คนหยาบ เพราะคนหยาบนี่เวลารักษามันบางทีมั น, มนต้องใช้ความหยาบในการรักษาอย่าเชต้องให้ทหารเขาทำค่าอย่างนี้นะให้ตำรวจเขาทำค่าอย่างเงี้ยบางทีเขาเตะกันได้ด่ากันได้อย่างนี้นะโอ้ยเราจะไม่เตะใครได้ไม่ด่าก็ด่ า, ดาไม่ค่เป็นนะระวังอย่าถูกเชาด่าไว้างเาาก <c oughs> เดี๋ยวมึงป็นแต่ไม่ด่าหยาบไปไม่เป็นว่าก็ว่าไปอย่างเงี้ยว่าไปเร็วไปดีอะไรกัน ป, ประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะจะไปไอ้หาไอ้ฮงอะไรีก็ไม่เป็นกับเขาแล้วมันทาไม่ได้แล้วมันหยาบไปนะ มันมันเราก็ทําไม่ได้เราปฏิบัติธรรมมันมันมันไม่ไหวไม่ใช่ฐานหรอกไม่ใช่ฐานที่จะไปใช้หยาบหยาเพราะฐานจริสิจติดต้องไปให้ทหารให้ตำรวจเขาต่โลกันให้เขาทำค่ายอะไรแล้วบางทีเขาต้องด่ากันบ้างเตะกันบ้างบังคับกันบ้างอะไรเงี้ยใช้เรื่องหยาบหยาบบ้างอะไรเงี้ยนะไอเรานี่ไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันไม่ใช่ฐานเนี่ฐานของเราเป็นฐานดูแลคนดีที่ที่ไม่ใช่หยาบฐานของเราต้องเป็นคนดีที่เขาเขาไม่หยาบอ่ะเขาไม่อยากไม่ได้ หรือยางเอสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ี่เกิดจากพวกที่สัมสอดพวกสัมสอดพวกติดใจติพวกสัมสอดพวกสัมสอดในจิตใจหยาบนะหยามแล้วผิดเพวาะเขามีใครหยามมากแล้วเราสู้ไม่ไหวหยามมากสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเราหยามมากเกินไปนะครับยงเว้บางคนที่เขาคือข้าวรวมแล้วพวกนี้พวกเที่ยวสัมสอดกังต่างหยาบแล้วพวกกับหยาบมากๆนะพวกนี้พกามจากมีพูดตรงๆนะพวกมีกามมากกามมากเขาใช้วิธีรักษาแบนี้ไม่ได้หรอกเขาวิธีรักษาเป็นทีลดกาม ลดการน้ากินอาหารจืดหรือลดการคือรถการติดในรถอาหารเนี่ยก็คือการชนิดหนึ่งครับติดในลดอาหารคือการชนิดหนึ่งเพราะงั้นในเข้ามามัก็ทําไม่ได้หรอกมันมันเกินฐานเขาก็าทำไม่ได้หรอกมันแค่เอชจะทอย่างนี้ไม่ได้ยกเว้นบางคนที่เขาไม่ได้ติดเอชเพราะเขาหยาบหรอกเขาไม่ได้ไปเสื่อมไปตับหรอกบางทีสามีไปสามส่อนกล้ติภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้สามส่อดเองหรอกเขาไม่ได้มีความหยาบในตัวเขาแต่แต่เขาก็ต้องติดเชื้อพอเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ มีวิธการคนไข้เองใช้วิธีการอย่างเราเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้หยาบโดยสันดาลแต่ว่าหยาบโดยติดโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้ยนะคนอื่นเรามาให้เลยนะครับโดยที่เขาเองไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นคนหยาบอย่างนเงี้ ย, เ, ยเขาจะสามารถคว้าวิธีนี้ได้เหมือนกันเขาจะทําเขาจะทำนะครับเขาก็จะปฏิบัติอะไรที่เขาได้ะนะครับอยงเงี้ยนะครับแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้รับมามาบำบอดัดข้างใ น, นจะจะไม่รับมล า, าบำบัดข้างในนะครับ เพราะว่าในค่ารวมแล้วมันหยาบแล้วมันจะสร้างปัญหาเยอะสร้างปัญหาเยอะในเรื่องติดเชื้อแต่ว่าในกรณีที่เขาไม่ใช่เป็นคนยาบอะไรต่างๆที่เราก็เอื้อเขาได้เอาเอสเอลดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเอสเอ เดเด็นนี้แล้วก็เลยไม่ได้รับผู้ป่วยเองนแต่ว่าไม่ไม่หมายความว่าจะไม่ช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นติดยาเสพติดหรือว่าเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ช่วยเหลือถ้าเขาจะใช้วิธีการนี้เราก็จะให้ข้อมูลคเขาแต่เราเราไม่ได้รับมาฝึกมาเอเราก็จะให้ข้อมูลคขาแต่ว่าเออนะเป็นอย่างงี้งีได้คือเราก็ให้ข้อมูลได้แต่เราไม่ได้รับมาปำบัดให้เขาช่วหลือได้ไม่ได้ใจดําที่จะไม่ช่วยเหลือครับช่วยเหลือได้แต่ไม่ได้รับมาปำบัดมันจะมีปัญหาเยอะไปหลายเรื่องราบ เอาละครับอันนี้ก็ก็เรื่องการติดเชื้อก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับถ้าเราสุพิณองฟังเดี๋ยวค่อยๆวิเคราะห์เรื่อง s อสเอลีนครับทางนี้หมอแพทปัจจุบันเขาหนึ่งนะเวลาติดเชือ้อมานี่ยเขาเขาจะรักษาไม่เป็นหรอกเวลาติดเชือ้อมาเขารักษายังไงรู้ไหมครับนะเขาจะให้ยาปฏิชีวนะนี่คือหมอแพทปัจจุบันนะเขาจะให้ยาปฏิชีวนะพอให้ยาปฏิชีวนะมันจะเป็นยังไงคะ ายาปฏิชีวนะมันก็ไปฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะมันจะออกฤทธิ์ยังไงหนึง่งระเบิดตัวเองให้เป็นพลังงานก็จริงๆก็คือว่านย่อยไปย่อยยาปฏิชีวนะพอย่อยเสร็จปุบกลายเป็นพลังงานพลังงานตอนนั้นวิ่งระเบิดเอ่อเชโรคอีกทีน่เชื้อโรค ก, ก, ก็ตายพร้อมกับเซลล์อื่นของเราก็ตายด้วยฟัดีนะเซลล์อื่นตายด้วยเพราะมันต้องบบระเบิดตัองให้เป็นพลังงานพร้อมร้อระเ บ, บิดเชอโรคตายตรงเชืโรคก็ตายแล้วก็เซลล์อื่นก็ตายด้วยคุณก็ได้ผลด้านเคียนจาก จากยาปฏิชีวาะไปด้วยเซลล์อื่นก็ตายตามไปนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมไม่แก้ที่ต้นเหตุเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อใหม่คนเจ็บคอเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกคนเป็นฝีเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกคนตับอักเสบอักเสบแล้วอักเสบ อ, อีกเอาเรื่องนั่นแหละซ้ำนิดแล้วซ้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันมีเชื้อเขาก็ไปคายเชื้อแต่เขาไม่ได้ดูว่ามีเชื้อเพราะอะไรเชื้อขยายเพราะอะไร แต่เพราะเพราะเขาไม่มีภูมิจะรู้ไม่มีปัญญาจะรู้และไม่มีบุญจะเรียนรู้ด้วยน่าใจน่าใจกันไมไม่มีบุญจะรู้ด้วยนะ <_ L un> เขาจะไม่ีวันรู้เด็ดขาดเพราะคนจะรู้เรื่องราวลึกซึ้งจนถึงต้นเหตุได้ต้องปฏิบัติทําต้องบำเพ็ญบุญเท่านั้นคุณไม่บำเพ็ญบุญคุณไม่มีวันเจอเหรอกและหมอแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เรียนจากธรรมะตกไม่เคยได้บำเพ็ญบุญอะไรเนาหาเงินอย่างเดียวพวกนี้เราพี่จะบัญหาเงินอย่างเดียวหางเงินอย่างเดียวไม่นเป็นตำบาทไอ้กอบกวยกอบโกวยกอบกวยเลยโลบนะบา แั่งขี้โมโหอีก ต, ต่างหากอัปาตต้นสูงใครว่าไปได้ใครติไม่ได้ขี้โมโหอกต่างหากความเร็วอะโลกเร็วไหมเร็เวพระเจ้าบอกเป็นความเร็วไม่ใช่ผมนะความโลกมัเป็นความเร็วโกรธเร็วไหมเร ว, เ ล, วลงแ ย, ยงราบยศสนลสิเป็นยงไงเ็วไหมเร็วเร็วทั้งนั้นเละ ก็มีพื้นฐานความเร็วคนเร็วจะมาเจอสิ่งดีได้ไงคนเร็วคุณทําเร็วคุณก็เจอเร็ว่อไปดิคุณยังไม่มีวันเจอการรักษาที่ต้นอยู่หรอกเพราะเขาจะโง่อยู่อย่างนั้นแหละใช้ยาปฏิชีวนะไปอย่างนั้นแหละไม่มีทางที่เขาจะมาทําไม่ลดข่าวแข็งแรงได้เพราะเขาไม่รู้ว่าทําไงไม่ลดขาจะแข็งแรงเขาไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาไม่เชื่อพระเจ้าหรอกพวกนี้นะฟังพระเจ้าหรือผ่านๆไปอย่างนั้แหละงมงายที่สักนือทก็จะบอกงมงายพระเจ้างมงายเขาไม่รู้จักความพระเจ้า หมอแผนปัจจุบันนะคุณยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพุทเจ้าเคยเป็นมาหมดแล้วเคยเป็นหมอแผนปัจจุบันมาหมดแล้วจนท่านพัฒนาตัวเองได้มากกว่านั้นเก่งกว่านั้นต้องรู้กี่เท่ากี่เท่าคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยู่เงี้ยพระุเจ้าท่านรู้หมดรู้โลกแั่งแจ่มแจ้งบุณก็รู้แค่นั้นแค่นั้นแหละไม่รู้ต่อไปแค่นั้นแล้วไม่ขยายขึไปยกเว้นหมอแผนปัจจุบันบางท่านที่ว่าเนี่ยที่ท่านเป็นคนมีบุญบรารมีนะเป็นคนดีมีบุญบารมีเนี่ยบุญบารมีของท่านจะทําให้ท่านนนั้้ไดมเจอ จริงหมอในปัจจุบันที่มีบุญบารมีจะได้เจอสิ่งนี้นพอถึงเวลาเขาจัดสั่งให้เจอให้เจอให้เจอนั้นนั่นเป็นคนมีบุญคนค่ารวมแล้วก็แล้วเลยไปงั้นแล้วก็หลงว่ารู้จักโรคใครแค่เจ็บเดี๋ยวพอผมเปิดบรรยายตอนท้ายนะตอนท้ายสุดเนี่ยพอผมบรรยายเรื่องโรคทั้งหมดนะคุณจะคุณจะรู้สึกมันอายอายนี่หมอทั้งโลกไม่รู้จักวิธีรักษาโลค หมอทั้งโลกทั้งโลกเลยนะไม่จะกวิธีรักษาโรคมันเป็นไปได้อย่างไงหกพันล้านคนแล้วคั <Pope> anyway, ้นตอรกัเก่งกันนั้นเหละแล้วมาเรียนวิธีรักษาโรคแต่ไม่รู้วิธีรักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บมันจึงระบาทดถ้ารู้วิธีรักษาโรคนะมันไม่ระบาดนะดนี้หรอกแต่ไม่รู้วิธีรักษาโรคกค่อยๆฟังไปแล้วคุณจะรู้ว่าหมอเนี่ยไม่รู้วิธีรักษาโรคพระพุทธเจ้ารู้วิธีรักษาโรค พขาเป็นเจ้ารู้วิธีรักษาโรคมอไม่รู้วิธีรักษาโรคแล้วพระเจ้าก็มีเมตตาก็สอนสากเพราะนางาวกควรจะรู้วิธีรักษาโรคแต่แพทย์ไม่รู้วิธีรักษาโรคที่เป็นแพทย์ที่เป็นสาบกของพระเจ้านะแต่แพทย์ทั่วไปไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้จริงฟังไปเรื่อยๆเอาละแม้แต่การรักษาโรคเนีขาก็ใช้ยาปฏิชีมนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รักษาหายรักษาไม่หายหรอกไม่หายขาด ต่อให้มันฆ่าเชื้อโรคตัวนั้นตายต่อให้ไม่มีอาการนะไม่มีอาการของเชื้อโรคตัวนั้นแล้วนะมันก็จะได้โรคใหม่เพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันก็โกบตัวเองให่เฉยอ่ะหนึ่งได้ผลขั้นเคีนของยาแล้วก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเบี่ยงไปเป็นโรคใหมให่เฉยแล้วก็เกิดภูมิแพ้ขึ้นแล้วก็เกิดตับวายไตายวายขึ้นก็คือคุณรักษ า, าโรคผิดเชืยอ หายไปต้นนั้นจริงแต่ความจริงมันไม่ได้หายหรอกมันแฟดรูปไปเป็นพิษเด็กหยุดเหตุผมเลอกบอกว่าถ้าไม่รักษาที่ต้นเหตุนนะไม่มีวันจบจริงแต่ความจริงไม่ใช่ผมเป็นคนบอกเพราจะพุทธเจ้าออตัดไว้ทุกมีมาแต่เหตุพุทธเจ้าบอกว่างั้นจะดับทุกได้ต้องดับที่เหตุนี่คือพุทธเจ้าตัดนะั้นวิธีเดียวที่จะดับทุกได้คือดับที่เหตุนอกนั้นไม่ใช่การโกงเกลื่อนไม่ใช่การเบี่ยนเบนไม่ใช่ แต่แทบไม่ไมามันทำการกลบโลกให้เฉกลหรือว่าเปลี่ยนรูปมันได้เฉยไม่ได้ดักที่เห็นแล้วผลที่แพลยาเป็นอะไรนั่นละผลแพ้ยานั็นอะไรก็คือก็เป็นผลอะไรอ่ะก็เป็นพิษอ่ะ ก็จะว่าไงหรอแพทย์ยาแพทยายามันก็ปืนคันอะไรต่างเรื่องหายใจไม่ออกหรือช่องตายก็คือไม่ได้แก้ที่เหตุไงก็จะเข้าไปเชื้อก็ไม่ได้แก้ที่เหตุอ่ะคุณไปฆ่าเชื้อเหตุมันคือไม่สมดุลเหตุมันคือไม่สมดุลคุณไม่ได้ไปดาความไม่สมดุลคุณก็ไปฆ่าเชื้อเอาตกงเชื้อมันตายแต่ได้อะไรได้พิษของยาที่มันไปฆ่าฆ่าเซลล์อื่นของเราไปช่องตายก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้แก้มันไม่จบจริงไงผมเพื่อจะพยายามอธิบายว่ามันไม่จบจริง การที่คนค่า ย, ยา ห, หรือผลข้างเคียงของยานั่นแหละคือความไม่จบจริงเป็นการเป็นการ เ, าเรียกว่าอะไรแก้โรคการเป็นพิษที่ไม่ใช่แก้แต่ก่งเพื่เฉยแต่เปลี่ยนเปลี่ยนพิษให้แปลรูปเป็ น, ปนอีกแบบหนึ่งเฉยเปลี่ยนจากการติดเชื้อเลยเป็นชอบตายเข้าใจไหมก็ติดเชื้อมันถ้าไม่แก้มันก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวก็เปลี่ยนเฉย อ, อย่างมันไม่ไม่ติดเชื้อตายอ่ะฆ่าเชื้อโรคตายแต่ให้ชอบตายแทนแล้วมันต่าง ก, กันตรงไหนอะ เรื่องของติดเชื้อตายช็อกตายต่างกันไปไห ม, มันก็ตายเหนกันใช่ไหมแปลรูปเฉยแปลรูปการตายเฉยว่าไม่ติดเชื้อแต่ชอบตายกันผมเนี่ยบอกว่าถ้ า, าคุณไม่แก้ที่เหตุนะมันไม่จบหรอกมันไม่จบหรอกมันต้องแก้ที่เหตุไม่จะจบแล้วหมอแบบปัจจุบันไม่เข้าใจอีกอันหนึ่งไม่เข้าใจอีกอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่ากินยานปฏิชีวะนะนะต้องกินให้ครบห้าวันเจ็ดวันสิบวัน อ่าไม่งั้นถ้าไม่กินครบเขาบอกว่าเชื้อมันจะดื้อยาหรือจะติดเชื้อตัวใหม่แทรกซ้อนหรือว่าทําเชื้อจะดื้อยาเขาว่ามันเชื้อจะดื้อยาความจริงไม่ใช่ถ้าจริงๆแล้วเชื้อดื้อยาน่ะไม่ได้เกิดจากการกินยาไม่ครบเชื้อดื้อยาเกิดจากภูมิต้านทานลดเชื้อดื้อยานเกิดจากภูมิต้านทานลด ถ้าการกินยาครบแล้วป้องกันการดื้อยาได้ทำไมคนไข้ติดเชื้อเก่านั้นซ้ำทานท่านที่นอนอยู่โรงพยาบาลแท้ติดเชื้อเก่าซ้ำแถมติดเชื้อใหม่แทรกเข้าไปอีกท่านท่านที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้กินยาด้วยนะเดี๋ยวจะโกงชีดอย่างเดียวเลย ฉีดเลยนะถึงเวลาสี่ชั่วโมงมาฉีดสี่ถึงหกชั่วโมงมาฉีดฉีดฉีดฉีสี่ถึงแปดชั่วโมงนะเขาก็ฉีดยาอย่างนั้นแหละเพราะบางคนใข้บางคนไม่ใช่เองไม่ใช่โกงนะเขากินยาไม่ได้เขากินยาไม่ได้ก็ต้องฉีดยาปฏิชีวนะใช่ไหมหลังคนไข้ติดเชื้อฉีดไปจนครบเลยห้าวันสิบวันอ่ะแล้วทําไมอ่ะติดเชื้อซ้ำอ่ะที่โรงพยาบาลตอนนี้อัตราการติดเชื้อซ้ำเยอะมากอาตารอาการติดเชื้อแสกซ้อนเยอะมากทําไมก็ให้ยาครบแล้ว เพราิเขาไม่เข้าใจของจริงไม่ใช่การติดเชื้อนี่มันไม่ได้เกิดการติดเชื้อซ้ําหรือเชื้อดื้อยาเนี่หรือว่าการติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ได้เกิดจากการกินยาไม่ครบแต่เกิดจากภูมิต้านทานลดภูมิต้านทานลเกิดจากความไม่สมดุลเ <algo> พราะฉะนั้นวิธีที่จะไม่ให้เชื้อดื้อยาหรือติดเชื้อซ้ําก็คือสร้างภูมิต้านทานว <qualcosa> ิธีสร้างภูมิต้านทานคือทำความสมดุลมัชชิมาสมดุลพอดีปุ๊บ มันไม่ร้อนเกินไปแหละมันไม่เย็นเกินไปไเป็นลักษณะก็แข็งแรงแข็งแรงปุง๊บพอคุมเชืลงทั้งหมดนี่คื อ, อยาปฏิบีร์และชั้นยอดเพราะฉะนั้นความสงบนุนมัชชิมานั่นแหละคื อ, อยาปฏิบีร์ชีวนาชั้นยอดเป็นทั้งยาป้องกันโรคป้องกันการติดเชื้อและยาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวหมดเลยทบหมดเลยฆ่าเชื้อก็ได้ป้องกันติดเชื้อก็ได้นี่คือความรับท่าที่หมอทั่วไปไม่รู้ หมอทั่วไปจะไม่รู้เพราะเขาไม่รู้วิธีทําก็จะทำยังไงแต่เขารู้นะว่าไม่เราเขาแข็งแรงมันป้องกันเชื้โลกได้แต่วิธีทําให้ไม่ได้กขาวแข็งแรงเขาทำไม่เป็นเพราะเขาไม่ปฏิบัติทำเพราะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครเขาไม่รู้ว่าพระุเจ้าคือใครพระเจ้าคือมหาบุรุษที่สุดยอดที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกผองเรียนตามแล้วโอ้โหเรียนตามพระพุทธเจ้าเลยลึกซึ้งิง่มัน งดงามจริงนะมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาจริงสุดยอดในการมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหานั่นคือหลักการของพระเจ้าสุดยอดยารักษาโรคยู่ในนี้ไม่มีอื่นจาที่หลักนะครับอย่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความสมดุลได้เนี่ยพอเลยไม่ไม่ต้องกิจกรปฎิชีวนะเลยก็ได้ไม่ต้องกินยาจ น, น, น, นครบแต่ว่ายัางผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ ก, การกินยาปฏิชีวนะ น, นะในคนที่ทําได้ไม่ดี ไอคนที่ทําได้ไม่ดีหรือไม่มั่นใจนะก็ให้ทำความสมดุลอย่างนี้ไปด้วยกินยาปฏิชีวนะไปด้วยได้ผมไม่ผมไม่ต่อต้านอะไรนะครับถ้าถ้าไม่มั่นใจนะคุณก็กินยาปฏิชีวนะไปด้วยแล้วปฏิบัติตัวอย่างนี้ไปด้วยมันจะหายเร็วอย่างน้อยมันก็มันก็เอาละคุณจะได้สบายใจหรือคนที่ไม่มีฝีมือในการทําความสมดุนไม่มีฝีมือในแพทย์ปิชีพคุณก็ต้องกิียยาปฏิชีวนะไปด้วยก็อย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อหายเสร็จปุ๊บนี่จริงๆต้องการให้ปลอดภัยที่สุดต้องอยู่กินยา หา ย, ยุ๊บยุดกินยาทันทีเวลาคนไข้าหายนะผมจะให้หยุดกินยาไปดีเชิ้ ท, ทันทีแม่หวันมันจะหายกินหนึ่งวันปุ๊บหายเจ็บพอเลยผมให้หยุดยาเลยนะสวันหยุดยาเลยกินทำไมมันมีผลขั้นเคลื่อนอ่ะทำับทำไม ต, ตเราอ่ะลายทุกอวัยวะเราทำลายสมองเราทําลายทุกส่วนของรา่างกายกินเข้าไปทํำไมทำลายตัวเองก็ในเมื่อเชื้อมันไม่ทํางานแนละ้วมันมันหยุดแค่นั้นแล้วผมจะใ ห, หยุดยาทันทีแล้วผมรู้ว่าตัวที่จะไม่ให้ติดเชื้อซ้ำก็คือความสมดุลก็ให้ทาความสมดุลไปสิเพื่อไม่ให้ติดเชื้อซ้ํา ผมหลายคนนะค่อนข้าหลายคนผมแหกกรอบไปนะแต่จะไปทําที่โรงพยาบาลไม่ได้เพราะเขาฝังหัวเลยนะพราหลังฝังชิดไว้เรียบร้อยแล้วฝังชิดไว้เลยนะตกเป็นทาตุความคิดของฝรั่งคนดแ้วตกเป็นธาตการวิจัยของหมอแพทย์ปัจจุบันหของฝรั่งจึดผมเนี่ยเป็นคนที่พาพ้นความเป็นธาตไม่ใช่ผมเรากป็บริจาคผมพาพ้นความเป็นทาตผมจอพาพ้นความเป็นทาตของชิดไปตรงนี้ แทนอมาเลยใช้พุทธศาสตรแทนออกมาอย่าไปงงไงอ ย, อย่างงั้นเราต้อ ง, ปงเป็นทักวิทยาศาสตร์คิดแล้วมันไปนกเกิดผลเสียกีนไปทำไมอ่างที่ามกิช็อกตายเลยก็มีแพ้่ยาตรวนี้นี่ประชาชนได้หายลวเลิกเกเสร็จแล้วทนไงชาติครบภ า, ารกิอมาทำความสมดุลดูแลตัวดีๆจะได้ไม่ติดเชื้อซ้ ไปพูดที่โรงพยาบาลไม่ได้แล้วไปทาที่โรงพยาบาลไม่ได้หรอกนะทําได้ที่โรงพยาบาลของเราเท่านั้นโรงพยาบาลแคทย์พี่พูดของเราเนี่ยทำได้แต่โรงพยาบาลอื่นจะไปยุง่ยงกับเขาผมก็ถ้าผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็เขากินไปตามปกติอะไรคนใข้รู้แล้วก็กินไปกินเลยนะอะไรเรียนนะสมบูรณ์แต่ไปยงนั้นไม่ได้ เ, าเราเราไปทําในพวกนี้ไม่ได้ก็ปล่อยไปไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเรารก็ร่วมกันได้แล้วก็ยืดหยุ่นทั้งทีง่มันได้ก็ทำให้ทำวาสมบูรณ์ก็พอมันกินเขาผู้ช่างคุ ณ, ค ณ, คคณคแต่ถ้าเป็นคนใกล้ในมือผมนะผมก็จะให้หยุดยา่างพรผมว่าอยุดย เาพอผมพบว่าหยุดยาคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแข็งแรงกว่า